พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้มีธรรมะสี่ประการที่ทําให้ไม่เสื่อมทําให้ธรรมะนี้ไม่เสื่อมทําให้คนที่ปฏิบัติตามสี่ข้อนี้แล้วไม่เสื่อมเป็นเหตุให้ใกล้พานิพานอาพระเจ้าว่าอย่างนี้ทำสี่ประการเป็นเหตุทําให้ไม่เสื่อมแล้วก็เป็นเหตุให้เข้าใกล้พานิพาน คือทำให้จิตใจมันเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใกล้พันิพาณคือใกล้ความไม่มีทุกข์จนกระทั่งไม่มีทุกข์เนี่ยมีสี่ประการข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าซีละัมปันโนโหติให้สมบูรณ์ด้วยศีลข้อที่สองอินดาริเยสุดวาละคุตโตโหติ ให้คุ้มครองทวารในขณะที่เป็นอินทรีย์เป็นผู้มีการคุ้มครองทวารในขณะที่เป็นอินทรีย์ก็คือสํารวมอินทรีย์สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอันที่สามโภชเนมัตตัญยุตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคโภชนะ หรือว่าเครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆอันที่สี่ชาคาัลยังอนุยุตโตโพติให้เป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องตื่นนะทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายนิดหน่อยนะย่อๆว่าให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอันนี้เราพูดบ่อยเพราะว่าอันนี้เป็นธรรม ที่จะไม่เสื่อมใครเอาไปปฏิบัติแล้วจะไม่ทำให้คนนั้นเสื่อมแล้วก็เป็นเหตุทำให้เข้าใกล้พันิพาลด้วยนะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลก็คือสำรวมในพระปาติโมกพระปาติโมกเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเป็นสีขาบทของพระเอามาสวดกันมีสองร้อยยี่สิเจดข้อส่วนปาติโมกของโยม หรือหมายว่าหลักพื้นฐานสิกขาบทพื้นฐานที่ควรเอามาปฏิบัติของโยมก็คือศีน่าที่เราเรียกว่าสีน่าสิกขาบทห้าข้อข้อหนึ่งเว้นจากปาณ า, าติบาสข้อสองเว้นจากการลักทรัพย์ข้อสามเว้นประพฤติผิดในกรรมข้อสี่เว้นจากการกล่าวเท็จคืองดเว้นเจตนาที่จะกล่าวเท็จข้อห้าเว้นจากการเสพสุรามเมลยัยเนี่ยอ น, นี้ถ้าเอามาปฏิบัติ แล้วเราก็จะมีการซ้ำรวมระวังปฏิบัตินี่ก็คือให้มีสตินะคิดได้นะแต่ว่าไม่ไปทำตามมันเนี่ยละเจตนาที่มันไม่ดีได้นอย่างสมมุติว่ามันคิดเห็นสัตว์โอ้โหมันอ้วนดีเหลือเกินเนี่ยตัวนี้แหมถ้าเอาไปลงหม้ อ, อกแกงเนี่ยว่าคงจะอร่อยน่าดูเลยเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนมันไปไม่ไปฆ่ามันเออย่างนี้แสดงว่า ละเจตนาที่ไม่ดีได้หรือไปเห็นของเขาอยากได้เอาดีไหมเนี่ยแต่หากห้ามใจได้ยับยั้งได้อันนี้ก็เรียกว่าละเจตนาที่ไม่ดีได้ทำนองนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังพูดรายละเอียดต่อไปให้สมบูรณ์ด้วยอาจาระคือความประพฤติทางกายทางวาจาด้วยคาพูดคำพูดไปพูด จะให้ไลยเขาหรือพูดโกโหกเนี่ยทาให้เขาเดือดร้อนทําให้เขาเสียหายแล้วมันก็สะท้อนกลับเข้ามาหาใจเราเหมือนกันหามาตัวเราเหมือนกันทำให้เราเดือดร้อนด้วยอันนี้ท่านก็ให้สำรวมแล้วก็สมบูรณ์ด้วยโคจรละคือการที่จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันทําให้ ใจเป็นทุกข์ใจไม่สบายหรือว่าจิตใจมันไหลไปเพลินไปสติมันอ่อนกําลังลงไปอย่างนี้ท่านก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องแล้วให้เห็นภัยแม้เล็กน้อยว่าเราทําอะไรที่มันมันไม่ดีเนี่ยอย่างเราไปว่าเขาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโทษมันไม่สบายใจอ่ะอันนี้ท่านก็ให้เห็นภัยแม้เล็กน้อยเมื่อเราทําแล้ว เราก็ต้องตั้งใจจะแก้ไขตั้งใจไม่ทำอีกเนี่ยอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นมาศีลของเราเนี่ยแล้วก็ให้ตั้งใจสมาทานคือรับเอามาคำว่าสมาทานเนี่ยไม่ใช่ทําเป็นพิธีอย่างที่เราทำกันนะเดี๋ยวนี้พอมิมนพระไปฉันที่บ้านก็ต้องรับศีลซะก่อนสมาทานศีลค่ะคำว่าสมาทานในความหมาย ที่แท้จริงเนี่ยหมายก็ว่าเราเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วเราลับเอามาปฏิบัติโดยไม่ต้องไปให้ใครมาให้สินเราไม่ต้องไปบอกใครก็ได้เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราสมาทานเราตั้งใจที่จะเอาสิกขาบทเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติตั้งใจสำรวมระวงังอันนี้เรียกว่าสมาทานหมายว่าใจของเราเนี่ยมันศรัทธามันเห็นประโยชน์จริง เห็นประโยชน์แล้วเราเราก็เอามาปฏิบัติเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาทานเดี๋ยวนี้สมาทานนี่เพี้ยนไปเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าทําเป็นพิธีไปนี่เคยนะนี่เขานีมนไปอ่ะเราก็ไปบ้านแถบเนี้ยมันจะเป็นหลังสูงๆข้างล่างก็อยู่ใต้ถุนได้ก็จะมีโต๊ะตั้งกันคนก็เต็มเนี่ยข้างบนก็มี คนอยู่ส่วนหนึ่งข้างล่างนี่เต็มแล้วก็มองไปก็จะมีขวดน้ำอะไรขุนๆนะตั้งอยู่สีน้ำตาลนี่ล่ะตั้งเอาไว้แล้วดูคนนั่งอยู่เนี่ยหน้ามันแดงก่ำๆนะตาก็มองต่ำๆแล้วก็ขุมๆนะคือสํารวมต็มที่ว่า ง, งั้นเถอะตามองต่ำลืมตาแทบไม่ขึ้นแล้วเราไปถึงก็สะอึกนิดหน่อยนะโอ้ เราก็เป็นประธานด้วยนะท่านศาลามากก็องค์อื่นๆนะก็มีพระเจะ้วัดอื่นมาด้วยแต่ก่อนเราอยู่องค์เดียวองค์สององค์เวลาเขานิมนต์ก็นิมนต์แต่เราเนี่ยบางทีก็พาหมู่ไปบางทีก็ไม่พาไปหรอกอยากให้หมู่ปฏิบัติแีเ่เราเนี่ยไปได้คือเราไม่กังวลเราไม่หวั่นไหวเขาไปเองเลยเนี่ยเราก็เป็นประธานนั่งอยู่บางทีก็พาหมู่ไปทีนี้ถึงเวลาเขา ขอสิน่ะขอสินเป็นหน้าที่ของประธานต้องให้สินอ่ะอุละอายใจนะอาตมาให้สินไม่ลงเลยโข่นี่เราจะหลอกตัวเองเหรอเนี่ยจะหลอกพระพุทธเจ้าเลอเนี่ยคนที่มารับสินเนี่ยเขาเรียกกันขึ้นมาขึ้นมาม า, มารับสินผู้ชายก็ตัวมานั่งข้างหน้านะนั่งข้างหน้าก็ไม่มองหน้าเราเลยนะอ่าก็เรียกว่ามองต่ําอย่างที่ว่านั่นแหละชนิดลืมตาไม่ขึ้นน่ะอหน้าก็แดงก่ําเลยนะ ก็ให้ศีลไม่ได้เพราะว่าเรานี่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเราไม่สามารถหลอกตัวเองได้เพราะการให้ศีลเนี่ยมันให้กันไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็อันหนึ่งละอยู่ๆจะไปให้ศีลไม่ได้คนเนี่ยต้องรับเอาไปปฏิบัติด้วยตัวเองศีลก็จะเป็นสมบัติของตัวเองให้ไปแล้วเป็นพิธีเฉยๆพอเสร็จจากพิธีก็ลงไปแล้วก็ไป ดื่มเล่าต่อไปมองเห็นชัดๆเลยว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่สำเร็จประโยชน์แล้วก็นึกต่อไปอีกที้ศา ส, สนาพุทธเนี่ยมันมันเสื่อมถอยขนาดนี้เลยเหรอนี่มันเหลือแต่แค่พิธีเลยเหรอขนาดที่ว่าแค่ไอ้ไอ้กึ่งพุทธกันเนี่ยมันยังไม่ไปถึงนู้นห้าพันไอ้ไอ้ใกล้ๆห้าพันปีเลยเนี่ยมันยังขนาดนี้เลยเหรอมันเสื่อมถอยขนาดนี้นะ แต่ไม่รับก็ไม่ได้นะ เ, เพราะว่าเหมือนกับไม่ได้บุญโอ้โหไปไกลเลยนะเนี่ยสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยกลายเป็นสิ่งถูกต้องไปเลยเราก็เอไม่ได้ก็เอาเอาันิมนต์ท่านอาจารย์องค์อยู่ใกล้ๆท่านก็เป็นคนให้ศีลเราตั้งสมาธิก็แผ่เมตตาอุทิศบุญไปใหนะ้พวกวิญญาณอะไรต่างๆนี่ละเอออย่างน้อยเขาก็ได้บุญบ้างจากบุญที่เราให้ไป ทีนี้เขาก็ให้ศีลการอา้าวก็แล้วก็เวล า, าสวดมนต์สวดอะไรก็อ้าท่านสวดไปเราก็นั่งสมาธิอุทิศบุญอยู่อย่างนั้นแ่ะอย่างน้อยเพ่มเมตตาอุทิศบุญเออกระแสะของบุญมันยังจะไปถึงพวกผู้ล่วงลับหรือญาติพี่น้องของเขาที่มาในวันนั้นเนี่ยอันไหนทำไม่ถูกต้องเราทำไม่ลงนี่เป็นเหตุทำให้ระยะหลังก็ไม่มีใครนิมนต์แล้วซึ่งเราก็ว่าเออก็ดีเหมือนกัน เราก็สบายเพราะว่าก็ไม่ต้องไปแย่งอีกรกาบกันไม่ต้องไปแบ่งปันอะไรที่มันอ่าที่เขาถวายมาเราก็ไม่เสียเวลาไปไปแบบนั้นคือเราอยากจะทำให้มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนผู้จ้าสอนให้พระมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรม ะ, ะของพระพุทธเจ้าขัดเปลาจิตใจได้แล้วก็ไปสอนคนที่มีความทุกข์ ให้ความทุกเนี่ยมันน้อยลงหรือใครที่มีความทุกข์ใจมีปัญหาทางจิตใจมาพูดมาคุยกันแล้วจิตใจสบายขึ้นมาเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีคนมาหานะน่ะเขาก็ถามว่าเออทำยังไง อ, ะอ่ะมันถึงจะสบายเหมือนพระเนี่ยพระร่างกายไม่สบายแต่ทำไมาใจยังสงบอยู่เขาก็อยากสงบบ้าง เราก็เลยบอกว่าเนี่ยคนเรามันก็เกิดมันต้องตายอ่ะโยงก็ต้องตายใช่ไหมบอกใช่ก็เราจะตายอยู่แล้วไปทุกข์มันทําไมอะ่ะทําใจให้สบายสบยัยมาดีกว่าเหลอเนี่ยเราก็ตายเขาก็ตายอ่ะเครื่องเขาอยู่อ่ะขอเขาก็ตายบอกแต่มันตายไม่พร้อมกันเขาก็พยายามจะคัดค้านเอาพร้อมไม่พร้อมมันต้องตายเหมือนกันแหละฮะไม่ต้องไปห่วงหรอกห่วงว่าตายแล้วเราเนี่ยจิตเราเป็นยังไงเพราะจิตมันตายไม่เป็นอ่ะเขาก็เข้าใจเอเข้าใจว่างั้นนะเข้าใจเร็วนะ ยอมรับเข้าใจตรงนี้เข้าใจแล้วทำยังไงอะ่ะก่อนในเมื่อมันต้องตายแล้วฮะเออแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออทำไมคนเราเนี่ยมันต้องมาพบกันแล้วมันต้องมีปัญหากันบอกนี้โยมก็เคยทำเขามาเขาก็เลยเอาคืนเนี่ยเราเคยทำเข้ามาเพรา ะ, ะนั้นวิธีจะแก้กรรมก็คือว่าเราต้องให้อภัยเขาแล้วก็มีสติรักษาใจตัวเองให้เป็นปกติไว้ให้มันแล้วไปเลยให้มันจบไปเลย ไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปอาคาดพยาบาทจองเวรกันต่อไปเดี๋ยวมันเป็นเวรเป็นกรรมไม่มีที่สิ้นสุดพอเราทำกรรมอะไรลงไปเนี่ยมันต้องมาใช้กรรมโอโ้เป็นห้าร้อยเท่าอะห้าร้อยชาติเนี่ยหนักเขาบอกเออถ้าอย่างนั้นก็จะพยายามเนี่ยเนี่ยแล้วทำยังไงอะ่ะถึงจะแก้ได้นก็เลยบอกว่าพยายามให้มีสติเพราะว่าเขาไม่เคยภาวนานไม่เคยปฏิบัติก็บอกยังขับรถ แทนที่ยปล่อยจิตปล่อยใจคิดนู่นคิดนี่ก็ให้มาควบคุมจิตให้อยู่กับตัวเราให้พยายามรู้ทันจิตของตัวเองให้พยายามใช้เข้ามาพยายามตอนแรกก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันจะดีขึ้นเองนึกกวาดบ้านหรือทำงานบ้านหรือว่าทำข้าวปลาอาหารให้มีสติรักษาใจเอาไว้แล้วสติก็ค่อยๆมีขึ้นมาแล้วต่อไปจิตเนี่ยก็จะดีขึ้นเอง เขาก็สบายใจขึ้นแล้วก็บอกว่าเออจเจ้าไปปฏิบัติเนี่ยบอกเข้าใจแล้วก็ไปนี่คือว่าถ้าหาว่าเราปฏิบัติแล้วเรารู้เรื่องราเกี่ยวกับจิตใจเราเข้าใจเลยว่าทุกเรื่องที่ทำให้เป็นทุกเนี่ยมันมาจากจิตใจของตัวเองแต่เวลาทุกเนี่ยมันจะส่งออกไปข้างนอกไปโทษคนนั้นไปโทษคนนี้นี่เพราะฉะนั้นต้องสอนให้รู้ว่า ให้มาระวังจิตแล้วถึงจะเห็นว่าทุกเรื่องไปจากจิตของเราเองถ้ามันยังไม่เห็นว่ามันไปจากจิตของเราแสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงเรายังห่างไกลอยู่ถ้าหาว่าใครใกล้เข้ามาแล้วเห็นว่าโอ้โหเรื่องราวมันไปจากจิตเรานี้เองเนี่ยเพราะเราสติเรายังอ่อนรักษาจิตไม่ทานคุมจิตไม่อยู่เอออย่างนี้มีความเห็นถูกต้องแล้วใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากขึ้นแล้วเนี่ย จิงใครเห็นว่าอ้าวจริงจริงไปจากกิจเรื่อนี้เองเนี่ยแล้วก็คอยดูจิตตามดูจิตอย่างนี้แล้วใกล้เลยหวังทันทีเลยมีความหวังเลยเนี่ยฮเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกทางให้ว่าเอา อ, อ, อันที่หนึ่งเลยให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลศีล น, นี้ก็ก็คือว่าอ่ามีปาฏิโมกข์คือมีสิกขาบทพื้นฐานอย่างคนทั่วไปก็เอาศีลห้าหรือศีลแปดอย่างเนี้ย เอามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สตินี้รักษาจิตให้รู้ทันเจตนาของตัวเองได้เวลามันมันเห็นคนอื่นไม่ถูกใจอย่างเงี้ยมันโกรธเขาได้แต่ให้รู้ทันมันนแต่ไม่ไปทําร้ายเขามันโกรธก็รู้ว่ามันโกรธมันโกรธขนาดไหนก็ตามเราเก็บเอาไว้หาไม่ให้มันออกไปไปทําร้ายคนอื่นหรือไปพูดจาให้ร้ายคนอื่นทําให้คนอื่นเสียหายโกหกอะไรอย่างเงี้ย ให้มันยับยั้งได้ละเจตนาที่ไม่ดีได้อย่างนี้ศีลเนี่ยยังใช้ได้นขอให้จิวในจิตอย่างเดียวห้ามไม่ได้จิตเราเนี่ยที่มันจะไม่พอใจมันโกรธมันขุนเคืองอ่ามันโมโหอย่างเนี้ยมันห้ามไม่ได้แต่ว่าเราไม่ไปทํำร้ายคนอื่นอันนี้เรียกว่ามีความสํารวมระวังนมีศีลศีลรักษาศีลเนี่ย ศีลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยศีลก็คือว่าการที่เรามีสติรักษาจิตของเราให้เป็นปกติได้ถ้าใครมีตรงนี้แล้วก็ข้อที่สองเป็นผู้คุ้มครองทวารคุ้มครองทวารก็คือตาหูจหมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันเป็นทวารเป็นทางเข้ามาของอารมณ์ทั้งหลายตาไปเห็นปั๊บเนี่ยมันก็วูบเข้ามาหาจิต จิตก็นึกคิดปรุงแต่งเนี่ยเรื่องราวก็ผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าหาว่าเราคุ้มครองทาวารตอนที่มันกระทบอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้คุ้มครองทาวารตอนที่มันเป็นอินทรีย์คือมันเป็นใหญ่ตอนที่มันมีเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราเรียกว่าอินทรีย์สังวรตัวสังวรก็คือตัวสตินั่นแหละเนี่ยมัน ก, ก็เป็นการปฏิบัตินั่นแหละแต่ทีนี้เราพูดในแง่มุมของการสำรวมมันก็เลยเป็นการสำรวมอินทรีย์เนี่ย แต่ถ้าพูดในแง่ของของสติก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่มากันก้นกั้นอารมณ์ไว้ไม่เข้ามาในจิตของเราเนี่ยถ้าหาว่าใครเนี่ยละมัดระวังหรือมันเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มันใหญ่โตขึ้นมาไม่ให้มันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยหรือไม่ไปตามมันไม่ปรุงแต่งไปกับมันให้ซํารวมและให้เห็นหน้าตามันพอเราเห็นมันเราเห็นมันเนี่ยมันจะค่อยๆลดกาลังล ง, ลง แต่ถ้าไม่เห็นมันเผลอไปมันไหลไปตั้งนานแล้วกว่าจะรู้ก็ยังดีคือให้มันค่อยๆรู้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในขณะที่เป็นอินทรีย์หรือว่าเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ระมัดระวังใจเวลามันกระทบอารมณ์ สติเราดีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่มันไหลเข้ามาสู่จิตเราอันที่สามรู้จักประมาณในการบริโภคโดยเฉพาะข้าวปลาอาหารโอพเจ้าเน้นมากเลยนะเน้นมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเวลาทานอาหารเนี่ยมันชอบมาวอาหารอาหารจะทับร่างกายที่จริงเราเนี่ยทานอาหารเพื่อให้ร่างกายเนี่ย มีกำลังมีความแคล่วคล่องว่องไวมีความสะดวกในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายว่าให้มันพอดีแก่การปฏิบัติธรรมให้มันปฏิบัติธรรมได้สะดวกได้ง่ายไม่ใช่ฉันเข้าไปรับประทานเข้าไปแล้วโอ้โหมองหาแต่ที่นอนเลยอะ่ะหนักเนื้อหนักตัวไปหมดเลยบางทีก็เข้าข้างตัวเองนะ นั่งก็ได้แต่ต้องไปนั่งพิงด้วยนะเอ็นๆชนิดที่ว่าหลับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้นั่งแล้วอ่ะแล้วก็เอาเสากเบาด้วยนะเอาไอ้เอ็มพีสามธรรมะเอะ่ธรรมะอาจารย์คันชิตซะด้วยเสียบใส่หูไว้อ่แล้วก็หลับตาลงไปเนี่ยธรรมะก็เทศไปเลยตัวเองก็หลับผ่อยเลยคือมันจะหลับอยู่แล้วตัก็ไปเดินในไอ้ออกจากนู่นละออกจากวงไอรับประทานอาหารนะ มันวางแผนไว้แล้วจิตมันบอกกิเลสมันบอกว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วกันคือท่าไปนอนเลยก็ดูกระลาอยู่นะก็เลยเอาว่านั่งเอ็นเอ็นเหยียดแข้งเหยียดขาแล้วมันถ้าจะหลับก็หลับของมันเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราภาวนาแล้วะจะได้ไม่โทษตัวเองเนี่ยอันอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าไม่รู้จักประมาณถ้าประมาณแล้วมันพอดีเป็นยังไงผู้เจ้าบอกว่า อีกสี่ห้าคำจีมเนี่ยให้เติมน้ําลงไปมันจะพอดีเนี่ยอาหารนี่นะเนี่ยไปลองดูก็ได้นะเนี่ยแต่ของเราเนี่ยบางคนนี่นะอิ่มแล้วก็ยังมองนะอันนี้ก็เสียดายนี่ก็เสียดายนั่นก็ดีนี่ก็ดีอ่ะใส่เข้าไปอีกจุกเลยที่คอนี่มันจุกเลยนะเหมือนกับอยากจะเหมือนกับอยากจะออกนู่นละทางปากนู่นละก็แล้วก็เลิกเติมน้ําก็ยิ่งแน่นเลยทีนี่โอ้อย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ใช่ โชเนมาตันยุตาแล้วไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนี่ข้อที่สามข้อสุดท้ายอันนี้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นคือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มารบกวนเนี่ยทําให้พวกนิวรณ์ทั้งหลายอ่ะรบกวนแล้วมันก็ดึงจิตเราไปถ้าหากว่าเราสามารถทําความเพียร ทำให้สติเรามีกำลังขึ้นมาจิตเราตื่นตัวขึ้นมาข้ามนิวรณไปจิตจะตั้งมัน่นแต่มันข้ามนิวรณไปจิตตั้งมัน่นแล้วมันก็จะมีปัญญายานเกิดขึ้นรู้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วจิตจะคลายวางจิตจะปล่อยวางจิตจะไม่ไปยึดอารมณ์ไม่ยึดไม่ติดไม่ค่้องกับอะไระจิตจะเป็นอิสระมากขึ้นนี่แหละความทุกข์ถึงจะน้อยลงไปได้นี่ถ้าหาว่าใครฟังแล้วก็ เอามาเทียบเคียงดูเอาไปประพฤติปฏิบัติให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นก็จะเป็นเหตุทำให้เราไม่เสื่อมถอยแล้วก็เป็นไปเพื่อเข้าใกล้พันิผภานหรือว่าสุดท้ายถึงพันิผภานอันนี้เป็นทางเลยนะเนี่ยเป็นทางดำเนินไปของผู้ที่มุ่งที่จะดับทุกข์ภายในใจ มุ่งทิ่จจให้ความทุกข์น้อยลงไปปัญหาน้อยลงไปเนี่ยเอาให้ชั่รวมจิตใจนะโอกาสสุดท้ายนะนนเดี๋ยวเราก็จะพักลเขาให้มีสตินะสังเกตใจเราวันนี้เป็นวันพระด้วยนะเราก็ได้มาอยู่วัดด้วยเราอุตส่าห์มาตั้งไกลเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีบุญเนี่ยมาไม่ถึงนันเนี่ยบุญเลยนะบรารมีนะต้องมีอยู่แล้วแน่นอนเลยเนี่ย แล้วแต่ละคนเนี่ยสังเกตดูนะมีความเบิกบานในจิตใจนะเอากระแสนี่มันมีนะกระแสจิตใจของคนเราเนี่ยมันจะมีอ่าแล้วมันก็บอกให้รู้ว่าโอสมกลับมาไกลนะมาถึงแล้วอ่าบางทีก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนนะอ่าแต่ว่าพอใจอ่ะความพอใจว่ามาอยู่ป่าอยู่เขา มาอยู่วัดมาอยู่กับครูบาอาจารย์มาใกล้ชิดพระสงฆ์องค์เลนมาใกล้ชิดแม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่างเนี้ยใจมันก็มีความพอใจมีความปราโมดมีความปีติลื่นเลงบันเทิงในจิตใจกายก็สงบระ ง, งับจิตก็เลยมีความสุขแล้วก็ได้ฟังธรรมด้วยจิตยิ่งเบิกบานเนี่ยเป็นสมาธิ หลายหลายคนก็มีจิตใจที่อยากจะมีความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจเอาสภาวธรรมมาเล่าให้ฟังบ้างถามปัญหาธรรมบ้างเนี่ยอันนี้ถามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจเนี่ยเจตนาหรือความตั้งใจมันมีแล้วการกระทำมันก็ค่อยดาเนินไป เ, เมื่อเราปฏิบัติไปมันก็ค่อยเจริญก้าวหน้าทื่นเวลาปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าเราจะให้มันได้ผลวันเดียวสองวันสามวันอย่างมาวัดก็มาเพิ่มมาเติมม า, มมาชาร์จแบตเตอรี่ให้จิตใจเรามีกำลังมีความอาหารนะแล้วก็มีกำลังใจคนเราตอมีเป้าหมายอันเดียวกันมีเป้าหมายอยากประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวกันพอมาเจอกัน เนี่ยมาพูดคุยกันบ้างหรือมาพบปะกันก็ทำให้เกิดกำลังใจอยากปฏิบัติเพิ่มขึ้นนะแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าทางออกของชีวิตนะมันมีนะชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าหาว่าเราจำเจอยู่เหมือนอย่างปัจจุบันอยู่กับไอแต่ ก, การงานหาอยู่หากินทำการทำงานได้เงินมา ซื้อข้าวปลาอาหารมารับประทานเครื่องใช้ไม้สอยนะแล้วก็พักผ่อนหลับนอนไปวนะนเวียนอยู่อย่างนี้ซ้ำซ้ำซักๆักเมื่อก่อนก็เหมือนกันแนหะทางานอยู่ก็นึกถึงตัวเองเออตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าล้างตานะทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปทางานไปรับประทานอาหารทําการทํางานแล้ว ก, ก็กลับมานะกลับมารนะับประทานอาหาร ทำโน่นทำนี่เสร็จแล้วก็พักผ่อนหลับนอนตื่นขึ้นมาก็อย่างเก่านั่นแหละแล้วก็ระหว่างกลางวันนี่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเรื่องไม่มีราวนะมีปัญหานะมีปัญหามีเรื่องโน้นมีเรื่องนี้จุกจิกจุกจิกกวนใจเนี่ยทั้งทั้งที่แต่ละคนก็ไม่อยากมีความทุกข์แต่ว่ามันก็มีปัญหารบกวนจนเป็นทุกข์เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมันก็มีปัญหามีความทุกข์มาจนได้ ก็เพราะอะไรก็เพราะเรื่องกิเลสในใจของตัวเองกิเลส ใ, ในใจคนอื่นนั่นแหละมันมากระทบกันแต่ละคนก็มีตัวมีตนนะก็ขึ้นมามันก็มาป้องกันตนเองมาเห็นแก่ตัวจะเอามากมากนะไม่อยากให้คนอื่นมีส่วนแบ่งปันไม่อยากให้คนื่นได้จะเอาด้วยตัวเองอย่างเนี้ยมันก็เลยสร้างปัญหาแตนะ่เราก็จะเอาของเราเหมือนกันนะี่นี่แหละมันเป็นปัญหาขึ้นมา มันกระทบกันมันไม่ยอมกันบางทีก็ไปเห็นเขาดีกว่าก็อิจฉาริษยากันเนี่ยเราดีกว่าเขาก็อิจฉาริษยาเราเขาดีกว่าเราเราด้อยกว่าเขาก็เสียใจไม่สบายใจโอ้โหโลกนี้มันเหมือนกับมันเต็มไปด้วยความทุกข์เลยเนี่ยชีวิตก็จำเจยอย่างนั้นนะแถมยังมีความทุกข์มีปัญหามีความเดือดร้อนซ้ําๆำซากซาแต่พอได้มาปฏิบัติที่นี่ เริ่มเจริญสติขึ้นมาเออรู้สึกค่อยๆยังชั่วหน่อยพอสติมันมีขึ้นมาใจมันก็สงบอะ่ะเออเริ่มมองเห็นสงบตอนแรกก็จิตไม่มีค่อยมีกาลังอะ่ะสงบไปพอมีสติสงบไปบ้างไม่สงบบ้างกระทบอารมณ์ก็หายไปเดี๋ยวก็เอาเอาใหม่อีกแต่ก็อาศัยว่าเราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นเนี่ยต่อมาก็เลยเอา้า เราจะรักษาศีลห้าเริ่มรักษาศีลหน้าโอ้รู้สึกว่าจิตมีกำลังขึ้นมามีกำลังแล้วก่อเอา้าต่อไปก็รักษาศีลแปดเอาวันพระก่อนต่อมาก็เอาวันโกนกับวันพระต่อมาก็เอาเป็นอาทิตต่อมาเอาเป็นเดือนต่อมาเอาเป็นปีเลยทีนี้ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่มันจะทำให้เป็นข่าศึกต่อใจโอ้โหคราวนี้กาลังมันเต็มที่เลยนะอยู่ที่ไหนก็สงบ นั่งรถเีย์ทำสมาธิเป็นเลยทาการทำงานเนี่ยทาสติคุมกากับจิตไว้เนี่ยเวลานั่งปฏิบัติธรรมบางทีก็เออได้เห็นตัวเองบ้างอืมบางทีก็เห็นว่าเออไม่ใช่ของเรานีดนิดหน่อยๆนยนี่ก็โอ้โหใจนี่เบิกบานเลยนะอ่บางทีก็มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นด้วยอืมให้เห็นว่าเออมันเป็นอนิจจังทุก ข, ขังนาตาชัดเจน ทำให้เข้าใจเลยว่าอ๋อที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เอาอะไรนั่นเนี่ยเราต้องการให้จิตเราเนี่ยมันมีปัญญาเนี่ยให้มันเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ธรรมชาติทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยพอเข้าใจตรงนี้นะโอ้คราวนี้รู้เลยว่าเนี่ยทางที่จะดับทุกข์อะมันต้องทางนี้เนี่ยแต่ยังไม่ถึงอะไรหรอกแต่ว่าเริ่มเข้าใจละมองเห็นแล้ว ตอที่เราปฏิบัตินี้แต่ก่อนก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นเนี่ยนะเขาพูดก็ไม่ไม่ค่อยเข้าไปในจิตอ่ะแต่พอได้เห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยโอ้เข้าใจเลยว่อ๋อที่ปฏิบัติเนี้ใครถามว่าได้อะไรเราบอกเลย mm. เห็นพระไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตอบอย่างนี้ mm. คนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเห็นพระไตรลักษณ์แล้วมันได้อะไรเนี่ยบางคนก็บอกเลยนะบอกว่าอา๋อฉันก็รู้พระไตรลักษณ์อ่ะ อนนีจังทุกขังอนัตตาเขาว่ะเอาแต่มันรู้คนละอย่างนะอันหนึ่งรู้จากการอ่านการได้ยินได้ฟังอีกอันหนึ่งมันเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาญาณเนี่ยมันคนละอย่างกันเนี่ยพอเห็นตรงนี้แล้วก็อมองเห็นช่องทางเลยว่าชีวิตเนี่ยมันจะออกจากทุกข์ได้ก็ต้องออกได้แบบนี้แน่แนเลยพอจิตมันไปเห็นว่าไตรักแล้วมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนี่แหละพอเราเริ่มมีศีลขึ้นมาเนี่ยใจมีกําลัง สมาธินี่ง่ายเลยพอเมื่อก่อนเนี้ยสมาธิก็เป็นสมาธิแบบอ่อนๆเป็นสมถาะาเป็นอะไรไปไม่สามารถที่จะตั้งมั่นได้จิตเราพอสำรวมระวังมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้จิตมีกำลังแล้วการที่เราสำรวมตลอดนะทุกระยาบททุกขณะเนี่ยมันก็กลายเป็นการสำรวมอินทรีย์ไปในตัวเลย ทีนี้มันก็ทันจิตของตัวเองได้มากขึ้นอ่ะอารมณ์ที่มันเข้ามามันก็เบาลงเบาลงเบาลงน้อยลงน้อยลงไอ้ที่มันเคยกุ้มลุมจิตใจมีน้ำหนักในจิตใจอ่ะก็ลดลงไปเห็นเรื่อยไปแล้วก็พอเราปล่อยเรื่องข้าวปราอาหารเนี่ยโอ้เห็นชัดเลยนะม่วงหนักเนื้อหนักตัวไม่สบายเลย ทำอะไรก็ไม่แค่้ว่องว่องไวทำการทำงานก็ได้น้อยเพราะมันจะหลับลูกเดียวแต่พอเราได้ควบคุมอาหารเนี่ยลดอาหารลงไปให้เนื้อตัวมันเบาก็ไม่เหนื่อยไม่เพลียนะแต่ก่อนเนี่ยมันกลัวกลัวอาหารไม่พอก็ที่จริงอะมันอยากมันเคยชินกับการที่เรารับประทานอาหารตามที่ตามที่เราอยากเราต้องการอะมันไม่กล้าลด แต่พอตั้งใจลดลงมาลองดูโอ้คราวนี้ตัวเบาเลยทําการทํางานก็ ง, ง่ายโดยเฉพาะไอสติของเราดีผิดปกติเลยฮะเดินเหินแขวของว่องไวไอความง่วงความซึมความเมาอาหารอย่างที่เคยเป็นน่ะหายไปแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงเหมือนเดิมไม่อ่อนไม่เพลียไม่เหน็ดไม่เหนื่อยก็เลยรู้ว่าอ๋อ อาหารเนี่ยเราเลือกอาหารที่มันมีคุณค่าต่อร่างกายเราปริมาณไม่ต้องมากเท่าไหร่ก็พอเนี่ยมันก็พอก็เข้าใจเนี่ ย, ยก็เอามาใช้ประโยชน์จนเดี๋ยวนี้ก็ยังยังพยายามอยู่นะนก็คือให้หาหาความพอดีให้กับตัวเองเพราะว่าร่างกายมันอยู่สบายอะ่ะแต่ไปเอาวันไหนะถ้าหาว่ามันอันนั้นบ้างอันนี้บ้าง มันมากผิดปกตินิดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้ทันทีเลยว่าวันนี้หนักหนักมึนมึนละเนี่ยเมาเมาในตัวเราอ่ะเนี่ยอาหารมันทับทาดขานทันทีเลยเพราะนั้นต้องควบคุมมันไว้เนี่ยเอาให้มันพอดีแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันหรอกความพอดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าหายท่าดขานของแต่ละคนบางคนก็มากพอดีอยู่แต่ว่าเทียบกับบางคนอาจจะมากกว่าคนนี้ คนนี้น้อยกว่าคนนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายไม่แน่นอนแต่ว่าให้มีความพอดีให้มันให้มันมีความแคล่วคล่องว่องไวอ่ะสามารถที่จะข้ามนิวรณ์ได้ถ้ามาปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมหรือว่าถึงชีวิตประจำวันก็ตามมันไม่มาว่าอาหารนิวรณ์ไม่ครอบงําแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็ตื่นตัวมันตื่นตัวมันรู้ทัน เนี่ยเวลาจิตเราจะนึกจะคิดจะปรุงจะแต่งไปมันรู้เท่าทันนี่แล้วก็คือสรุปแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้เจ้าสอนนั่นแหละว่าเราจะพูดตามผู้เจ้าก็มันดูเป็นทฤษฎีไปแต่ถ้ามาพูดถึงสภาวธรรมาเออทำแล้วเนี่ยมันทำให้มันให้มันพอดีให้มันปฏิบัติธรรมได้ดีเนี่ยมันก็คือว่าเราก็ต้องมีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลนะ แล้วก็มีอินทรีย์สังวรสำรวมตามหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็ปฏิบัติมีความเพียรในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นประกอบความเพียรเพื่อให้จิตตื่นประกอบความเพียรให้จิตตื่นถ้าเป็นโยมก็ต้องมีสติทุกขิยบบทนั่นแหละเพราะว่าฐานะของเราเนี่ยังมีการมีงานอยู่ แเราก็เอาตรงนี้เลยไม่จะได้ไม่เสียเวลาไม่ทิ้งหน้าที่การงานน่ะแต่ถ้ามีโอกาสก็ทําสมาธิเป็นระบบขึ้นมามีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิเตรียมตัวก็มีการไหว้พระสวดมนต์เพื่อให้จิตเรามีความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมก็ได้หูทิบุญแพ่เมตตาอะไรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองแล้วก็นั่งสมาธิภาวนา เนี่ยจเจริญสติไปเนี่ยแล้วสติมันดีขึ้นมาจิตของเราก็จะอยู่กับตัวเราได้ง่ายได้เร็วขึ้นได้นานขึ้นเนี่ยพอเป็นสมาธิแล้วตอนแรกก็ตามอารมณ์ก่อนตามอารมณ์คือาายังไม่เห็นภัไตาลักยังไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่ามันสงบอยู่มันนิ่งอยู่เนี่ยอันนี้ก็แสดงว่านี่เรียกว่าสมถาากรรมฐาน เนี่ยมันอยู่มากอยู่น้อยแต่ว่าถ้าเราไม่ไปไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนูน้นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเจริญก้าวหน้าขึ้นถึงจะดูว่ามันยากจิตของเราเนี่ยมันชอบคิดไปทางน้นไปทางนี้ก็ตามแต่ว่าการที่เราได้มาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจเรามันมีประโยชน์ต่อจิตใจเรา มันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้สาวกของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระองค์เลยเนี่ยเพราะนั้นใครที่ได้มาประพฤติปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดเลยเป็นผู้ที่มีบุญกุศลมากที่สุดเลยเพราะถ้าหากว่าไม่มีบุญไม่ได้ปฏิบัติหรอก เนี่ยนิ่งเราปฏิบัติด้วยความพออกพอใจอย่างเนี้ยเต็มจิตเต็มใจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแล้วบุญกุศลประมาณไม่ได้มันได้อยู่แล้วเราจึงไม่ค่อยพูดถึงหรอกว่าเออบุญเป็นยังไงอันนี้พระเจ้ารับรองเอาไว้เป็นบุญกุศลที่สูงที่สุดการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเนี่ยท่านก็ลำดับไว้ให้ว่าเออในสมัยก่อนพระองค์อะ่ะเกิดเป็นพรามเวลามะพราหมณ์ เกิดเป็นพรามแล้วก็ไม่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำทานอยู่ตลอดชีวิตเลยอ่ะแต่บุญเนี่ยเทียบกับเทียบกับสมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาทานที่เวลามะพรามที่พระองค์ทำอ่ะสมัยที่พระองค์เป็นเวลามะพรามเนี่ยทำตลอดชีวิตเลยสู้ทำทานกับพระโสดาบันบุคคลครั้งเดียวก็ไม่ได้ทานตลอดชีวิตเนี่ย สู้ทําทานกับระสุวดาบันบุคคลครั้งเดียวก็ไม่ได้เนี่ยผู้เจ้าเทียบให้ดูว่าท่านบอกท่านก็นสรุปว่าทานซึ่งอยู่นอกขอบเขตพระพุทธศาสนาเนี่ยมันบุญมันน้อยอานิสงส์มันน้อยเพราะว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทีนี้ท่านก็อบอกว่าเออถ้าหาวธรรมสาธารณประโยชน์ สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอันนี้ลงทุนมากท่านวะใช้กำลังทรัพย์มากใช้กาลังคนมากแต่อานิสงก็น้อยกว่าน้อยกว่าการที่ทำบุญบ่อยๆทำบุญกับผู้มีศีลบ่อยๆเนี่ยต้องมีศีลเลยนะทำบุญกับผู้มีศีลบ่อยๆหรือผู้ขัดเกามุ่งขัดเกาตัวเองบ่อยๆเนี่ยทำบุญกับผู้มีศีลหรือผู้ขัดเกลาตัวเองบ่อยๆเนี่ย blinking. มีบุญมากกว่าสร้างสาธารณประโยชนนะ์เพราะอันหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ถ้าใครเนี่ยมาช่วยสร้าง่ เ, าเขาเรียกวิหารลทานที่ทําบุญกับผู้มีศีลทะเลาวนิตญาทานทําทานบ่อยๆทําทานกับผู้มีศีลบ่อยๆ อ, อันนี้เป็นส่วนบุคคลถวายครูบาจานถวายคนนั้นองค์นั้นองค์นี้คนนั้นคนนี้อันนี้เรียกว่า ให้แก่บุคคลเป็นลายบุคคลอีกอันหนึ่งวิหารทานอันนี้เป็นสมบัติของสงฆนะ์อย่างเช่นสร้างกุฏิศาลาที่ประพฤติปฏิบัติธรรมทำกระต๊อบนะพอให้คนได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ได้ทำเองหรอกร่วมบุญกันห้าบาทสิบบาทบางทีตลอดชีวิตทำครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งแต่ว่าอา น, นิสงส์มากกว่าอันที่หนึ่งอันที่หนงมี่ททานบ่อย ตื่เจ้าขึ้นมาต้องหาข้าวปลาอาหารนะลงทุนมากใช้แรงงานมากแต่ว่าวิหารละทานเนี่ยลงทุนน้อยกว่านานๆนนทำครั้งแต่ถวายสงฆ์วิหารละทานนีถวายสงฆ์เป็นสมบัติของสงฆ์ใครมาก็ได้ใช้ได้สอยอย่างที่ว่าเออเราจะเทถ้มอย่างเนี้ยคือถ้าเนี่ย เทเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่เรียบร้อยมันก็จะต้องมาขัดพื้นให้มันเป็นมันให้มันดูแลสะดวกนะให้มันไอ้ใช้สอยได้สะดวกนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิหารทานนะก็มีคนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังไอไๆกันการร่วมบุญอะไรอย่างนี้เราไม่ได้ไปนึกถึงน้อยหรือมากแต่นึกถึงความพอใจความพอดี ให้ทานตามกำลังพอดีกับกำลังของตัวเองนะมีน้อยเราให้น้อยนะไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนะี่ยคนอื่นเขามีมากมีเพียงพอที่จะให้มากเขาให้มากแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันพอใจมันศรัทธาเต็มร้อยมันก็เต็มร้อยดดวยกันบุญก็เต็มที่ในจิตใจของแต่ละคนเนะ่เต็มที่เท่ากันแต่ว่าคนที่ให้มากอานิสงส์แวดล้อมอาจจะต่างกัน มายว่าถ้ามันมีผลตอบแทนมาอันนั้นอันนี้ก็อาจจะมากกว่าหน่อยแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นแก่จิตใจเท่ากันแต่ที่พระเจ้าต้องการก็คือว่าให้บุญเนี่ยเป็นเครื่องชำระใจทำแล้วใจเราเนี่ยมันได้รับการชำระใจเคยหนักก็เบาใจเคยหงุดหงิดลำคาญก็โป่งโลงเบาสบายใจที่เคยมีกิเลสมีความตนีที่เหนียวมากๆ ความตนีที่เหนียวก็ลดลงไปน้อยลงไปหรือหมดไปอย่างเนี้ยเนี่ยมันเหมือนกับเวลาจะให้เนี่ยเหมือนบางทีมันต้องดึงมันต้องได้สู้กันเหมือนกันนะบางทีเนี่ยมันก็ต้องการหาความพอดีไอ้จิตหนึ่งก็บอกเอาเท่านี้จิตหนึ่งก็บอกว่าเออมันเท่านี้ดึงกันไปดึงกันมาทบไปทวนมานอันนี้กําลังหาความพอดีไม่เป็นไรนถ้าเรารู้ว่าเออขนาดนี้เราพอดีให้ไป ไปแล้วก็ให้เราสบายใจพอใจว่าเราได้ทําตามความพอดีของเราตามความเหมาะสมแล้วบาดท่าบาทจีบาทก็ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความพอดีของแต่ละคนทีนี้ถ้าใครเนี่ยหมันละลึกถึงคุณพระพุทธธรรมมระสงค์ว่าเป็นที่พึ่งของตัวเองคือตั้งใจว่าจะมีพระพุทธธรรมมระสงค์เป็นที่พึ่งบ่อยๆเนี่ย อันนี้มีอานิสง์มากกว่าที่พูดมาทั้งหมดเลยไม่ต้องลงทุนด้วยเพียงแต่ว่ามี จ, จิตใจมีความศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจว่าเราเนี่ยจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงโออย่างนี้อานิสง์มากเลยนะเนี่ยถ้าใครเข้าใจแล้วเนี่ยสามารถทําให้บุญเกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างตื่นขึ้นมาอ้าว คาพระคาพระเจ้าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึง่งแล้วก็พยายามที่จะละไอสิ่งที่มันไปพึ่งอย่างอื่นคือให้มันซื่อตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยนะอย่างขา้าวกอนนะมันก็ดีนะโยมเข้ามาเราก็พูดเรื่องนี้แหละมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึง่งก็ต้องไม่ไปพึ่งไสยศาสตร์ต้อไม่ไปพึ่งวัตถุอย่างอื่นเลยอะ่ะมั่นคงเลย เพราะคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันมีอยู่ในจักรวาลมันมีอยู่ในธรรมชาติาใครซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะซื่อตรงต่อเราเหมือนกันจะมาช่วยเรานี่แต่ถ้าหาว่าเราครึ่งๆกลางๆเนี่ยอันนี้มันไม่จริงอ่ะฮคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่เต็มที่เหมือนกันไม่เต็มร้อยเหมือนกันถ้าอยากเต็มร้อยลองได้เลย ไม่เอาเลยนอกจากพระพุทธธรรมสองว่าไปไหนนี่มันเหมือนกับมีมีอะไรคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยห้อมล้อมทำอะไรอยู่เนี่ยเหมือนมีสิ่งที่คอยช่วยเหลืออยู่นี่มีอนุภาพของพระพุทธธรรมสอ์มีจริงเราจริงหรือเปล่าเท่านั้นนะถ้าหากว่าเราจริงต้องไม่เอาอย่างอื่นเลยน ะ, อะพอดีพูดไปไอ้ A, แล้วก็เล่าให้โยมฟังด้วยบอกว่าเนี่ย น, นะมันก็มีมันมีคน คนเขาเขาส่งไอซีดีมาให้เนี่ยพระท่านก็ยืนยันว่ามันมีในเหรียญอะ่ะมันมีวิญญาณอยู่อะ่ะวิญญาณของคนคนที่เขาเขาจะตายอะ่ะเวลาเขาจะตายเขาได้รับอันตรายเขาก็จิตก็ก็นอมแลลึกถึงเหรียญอะ่ะให้เหรียญช่วยตายพวกจิตวิ่งเข้าไปอยู่ในเหรียญเลยอะ่ะโอ้ไม่ไปไหนเลยนะวนเวียนอยู่นั่นน่ะทีนี้พระองค์นั้นอะ่ะท่านรู้อ่ะท่านเห็นท่านเห็น มันมันมันมันขอให้ช่วยอยากไปเกิดอยากออกเต็มทีแล้วท่านก็เลยให้ทุบเหรียญพอทุบเหรียญออกมาก็สื่อสารกันได้ถามดูบอกว่านูนตั้งแต่สมัยอโยธยาวะ่ะ เ, เข้าไปอยู่ในเหรียญ น, นั้นน่ะจนสมัยนี้เลยนะพอเล่าให้เขาฟังบอกเออถ้าใครอยากเข้าไปอยู่ในเหรียญก็เอาแหวนเอาไว้ห้อยเอาไว้น่ะแล้วก็ให้นึกถึงเหรียญกับนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์อันไหนมันมีอนุภาพมากกว่ากันอันนี้ไม่ต้องพกอะไร แต่ละลึกว่าจะมีพระพุทธธรรมมาส่งเป็นที่พึ่งเหมือนอย่างที่เรายโยมคนหนึ่งที่เขามาแล้วเขาหมดแรงอมาถึงถ้าไปไอ้ที่จะขึ้นบันไดที่สองเนี่ยเนี่ยหมดแรงขึ้นไหมคนอื่นไปหมดแล้วแกอายุมากแล้วแปดสิบกว่าแล้วยกมือขึ้นเลยขออำนาจพระพุทธธรรมระามมาสง่์เนี่ยเพื่อพึ่งคุณพระพุทธธรรมระามมาสง่์เลยพึ่งคุณครูบาอาจารย์ออืเทวดาว่าไป แต่ว่ายกพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมามีอย่างอื่นก็ไม่เสียหายอะไรคุณครูอาจารย์ก็หมายถึงพระสงฆ์ของเขานั่นแหละเทวดาก็มีคุณเหมือนกันเนี่ยก็พอได้มีแรงขึ้นมาเลยเดินขึ้นมาได้เนี่ยแกยืนยันเลยนี่อันนี้มันอาศัยความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะนั้นเราจริงไม่ค่อยเน้นวัตถุนะ ไม่ค่อยเน้นวัตถุวันวันก่อนอนะ่ะก็ไม่กล้าพูดนะเขาเอา พ, อพระโพธรลูกมาถวายไอ้เราก็มีเยอะแล้วโพธรลูกเนี่ยมันองค์เดียวก็พอแล้วกราบไหว้หรือถึงก็เอาองค์เล็กองค์น้อยมาถวายบางแห่งก็บอกว่าเออสะดะเคาะให้เอาโพธิลูปไปถวายหรือว่าเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าถ้าเอาประโยชน์เนี่ยมันน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามัน สู้เราเนี่ยแล้วลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยใจเราดีกว่าวัตถุก็เพื่อให้เราได้แล้วลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพื่อลึกถึงได้แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีวัตถุเลยต้องไปหาพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าอยู่ในใจเราเลยโอ้นี่ประเสริฐเลยนะสูงส่งเลยจิตเราเนี่ยไปไหนก็มั่นใจเลยแต่ไอคนเขาก็ทิ้งเลยนะเขาก็เอาเหรียญออกอแล้วแต่เขา แต่ว่าอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เน้นวัตถุคือเน้นให้คนเนี่ยศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันประโยชน์เกิดแก่จิตใจคือให้ใจเนี่ยมันสามารถชำระได้ชำระใจตัวเองได้ละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจได้ละให้พวกเครื่องเศร้ามอง อะไรที่มันกุ้มลุมจิตใจทําให้จิตใจมันสัดสายจิตใจไม่สงบจิตใจว้าวุ่นเนี่ยมันออกไปได้นี่เราเน้นอย่างนั้นอเพราะถ้าใครเนี่ยมั่นคงในพุทธธรรมปร ะ, ะสองค์อย่างเนี้ยมันระลึกถึงว่าจะมีพระพุทธธรรมปร ะ, ะสงค์เป็นที่พึ่งอานิสงส์มากกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วทีนี้ถ้าใครเนี่ยสมาทานสีข่ขาบทหาขอ้ขอข้คือรักษาทิศห้านี่แหละตั้งใจใสมาทานได้เพราะอานิสงส์มากกว่า ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์คือตั้งใจว่าจะเจริญสติจนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วมีปัญญายานเกิดขึ้นจิตปล่อยวางจิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรนะมีเป้าหมายอย่างนี้นะเดียวว่าประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยแปลว่าสิ่งประเสริฐธมะ ไปสิ่งประเสริฐจริยานี่ไหมว่าการดําเนินชีวิตทําเป็นการดําเนินชีวิตทําให้ชีวิตประเสริฐขึ้นนี่เรียกว่าประพฤติพรห ม, มจรรย์นเนี่ยถ้าหาว่าใครเนี่ยตั้งใจอย่างนี้โอ้アニสง์ประมาณไม่ได้เลยแล้วก็ไปตามลําดับตามลําดับสติเริ่มมีขึ้นมานี่ก็อาアิสง์มากละนี่ยรักษาจิตให้อ่าเป็นสมาธินี่นี่ก็มีอาアิสง์เพิ่มขึ้นไอสมาธิตรงนี้นะ บางคนก็จเจริญเมตตาภาวนาก็มีนะคือทําจิตให้หนีเมตตาแล้วก็ยามมีสติให้จิตเนี่ยแนมอยู่กับไอความเมตตาอันนั้นตจนกระทั่งจิตมีกําลังใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เห็นความเกิดดับของรูปของนามจิตคลายความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเขาเรียกวเมตตาภาวนาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันบางคนดูกายดูผมกนเล็บฟันนังเน่นะก็ดูอาการสามสองดูอ่าแล้วก็ มันมีเวทนาดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยมันจะไปเหมือนกันหมดเลยคือโครงสร้างของมันเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันตอนตอนเริ่มต้นนี้แหละตอนที่ทำสมาธิเนี่ยเนี่ยมันก็อาจจะดูสติปัฏฐานสี่ไปเลยก็ได้ดูกายไปหรือว่าดูลมไปอ่าหรือว่าบริกรรมไปก็ได้เป็นสมาธิแล้วพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมาเห็นอ่าความเกิดดับของรูปนามความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเหล่านี้แหละ ใจเราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปบางคนก็สามารถรู้บรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุนิพพานได้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วการประพฤติพรหมจรรย์นี่แหละอานิสงส์มากที่สุดบุญมากที่สุดประมาณไม่ได้ยิ่งจิตใจของใครสูงส่งขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยิ่งสูงมากประมาณไม่ได้เท่านั้นขัดเก้ากิเลสได้มากเนี่ยอานิสงส์ก็ยิงมากนะ ทาวหมดสิน้นอะหาวสดิกิเลสเมื่ อ, อไหร่อันนั้นบริบูรณ์สมบูรณ์เลยบริบูรณ์สมบูรณ์เอาสํารวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะสักห้านาทีนะเอาเตรียมตัวนะทําให้สบายๆนะดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะให้รู้ตัวว่าจิตเราอยู่ยังไงนะจากนั้นก็ย้ํากับตัวเองนะ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 ขอน้มแด่พระผู้มีพระภารเจ้าพระองค์นั้นอราระโตซึ่งเป็นผู้ใกลชากิเลสสมมาสังคุตตสัมกระสือโชกไกลโดยพระองค์เอง